เวลานี้บ้านเมืองของเราอยู่เพราะในหลวงองค์เดียวเท่านั้นไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ที่ในหลวงจะเสด็จเหยียบแผ่นดินไทยไปทุกหย่อมย่าเหมือนในหลวงพระองค์นี้เพราะฉะนั้นให้สวดมนต์ภาวนาน้อมจิตน้อมใจอธิษฐานจิตขอให้ในหลวงทรงพระชนมายุยืนนานถึงร้อยปี200ปีหลวงพ่อพุธยังกล่าวอีกเป็นเชิงว่าพระจริยวัรของในหลวง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 หลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยมรณภาพในวันที่15พลิพฤษภาคมปีพุทธศักราช2542สิหริอายุ78ปีติดตามฟังเกล็ดคำสอนของหลวงพ่อพุทธซึ่งจัดทำเป็นเสียงอ่านไว้ดาวนโหลดได้ฟรีที่ j จโ h ด n e t เช่นเดียวกันนะครับ